ตามมด้ยสีแล้วก็เนคขมมะแม่แต่โทษศีลพระราชธรรมนี่ก็เริ่มต้นที่ทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าเนี่ยการให้เป็นเป็นเป็นคุณธรรมพื้นฐานของชาวพุทธของนักปฏิบัติธรรมอันนี้มันก็ถวนกระแสโลกนะโดยเพพาะโลกยุควัตถุนิยมหรือว่าโลกยุคทุนนิยมยที่เห็นว่าต้องมีมาก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 ได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้ไปเล่นในวันสิ้นปีถึงจะมีความสุขอันนี้คือกระแสะโลกแต่กระแสธรรมเนี่ยก็คือว่าต้องสละออกไปวันเกิดวันเกิดของชอบพุ้นนี่ทำอย่างไรนะก็ทำบุญให้ทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่ า, าทำบุญเลี้ยงพระ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 พาาระอรหันตาสาวกทั้งหลายอย่างพระปฏิยะนี่ก็เรียกว่าเป็นราชากรุงกบิลพัตร์นะแต่ว่าก็สละสละทั้งรา ช, ราชบัลลังก์ความสะดกสบายบริษัทธ์บริวารแล้วก็มาครองเพศแบบแบบพิขาจารย์บรรพชิต ผมผ้าสามผืนฉันมือเดียวนอนใต้โคนไม้แต่ปรากฏว่าท่านกลับมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่ในวงังสิกนะถึงกับป่ารบขึ้นมาอยู่คนเดียวว่าสุขหนอสุขหนอสุขหน อ, หนอเพราะว่าท่านได้สละแล้วนะสละสิ่งที่ชาวโลกอา่าพากันสแสวงหาจิตใจก็โปร่งเบานะไม่ต้องเหนื่อยในการ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 ผู้คนต่างก็ดิ้นหลนสแสวงหาเป็นในทุกวงการวงการศึกษานะวงราชการว ง, รงการธุรกิจวงการเมืองแม้กระทั่งวงการสงก็แข่งขันกันเพื่อได้สมณศักดิ์ไดะรับความยกย่องนับหน้าถือตาอันนี้มันมันไม่ใช่กระแสธรรมนะกระแสธรรมที่บางทวนกระแสโลกธรรม ถึงแม้จะได้มาก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดในสิ่งนั้นนะก็ได้มาก็ใจไม่ได้ยึดไม่ได้เกาะด้วยอย่างหลวงพ่อโตนะท่านเป็นพระราชกะชั้นสมเด็จนะสมเด็จพระพุทธจารย์เขาถวายพระยนให้ท่านท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านเป็นสมเด็จคราวหนึ่งท่าน ไปชั้นได้รับนิมนต์ไปชั้นในในเขตสวนนะแถวราช บ, บุรณะต้องนั่งเรือเข้าไปเรือเล็กเรือสำปัญนมีสิทธิ์วัดตามไปภายเรือแต่ว่าเรือเกิดไปเกิดตื่นเพราะว่าน้ำลงรูกสิธิ์ก็ลงไปเข็นเรือเข็นไม่ไม่เคลื่อนท่านก็เลยลงไปเข็นด้วยนเนื้อตัวเปียกปอ น, นคนบนฝั่งเห็น ก็จำได้ว่า น, นี่สมเด็จเนี่ยก็ตะกร ว, ว่าเนี่ยสมเด็จเข็นเรือวุ้ยสมเด็จเข็นเรือวย้ยท่านได้ยินท่านก็บอกว่าฉันไม่ใช่สมเด็จ ด, ดอกยานะฉันชื่อครัวโตโจ่ะสมเด็จนี่อยู่ในเรือแล้วท่านก็ชี้ไปที่พัดยศคือเขาถวายพัดยศ์ท่านนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไม่ได้คิดสำคัญบันหมายว่าท่านเป็นสมเด็จท่านยังเป็นครัวโตอยู่ส่วนพัดยศางหานั้นคือสมเด็จนะ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 เคมีคนไปพูดกับท่านจ่าพุทธทาสนะท่านตำแหน่งสมณศักดิ์ของท่านก็เป็นพระธรรมโกศาจารย์พระจ่าพุทธทาสงก็พูดเรื่องการไม่มีความยึดมั่นในตัวกูของกูนะไม่มีพิธีเรตองรูุสิษลูกหาก็แปลกใจว่าทําไมท่านท่านรับสมณศักดิ์ก็ไปบอกใท่านสละ สละสมณศักิ์เป็นภาพป่าธรรมดาเป็นภาพป่าพัดเถือนท่านบอกว่าก็เรายังไม่ได้รับเนี่ยจะสละได้ยังไงแล้วเขาเอาสมณศักิ์มาถวายท่านท่านไม่ได้รับถึงแม้จะเอาพัดมาวางนะแต่ท่านใจท่านก็ไม่ได้รับด้วยเมื่อไม่ได้รับเราจะสละได้ยังไงก็เลยว่าวางตั้งแต่แรกนอันนี้เราเป็นการทวนกระแสโลกธรรมเพราะว่าใครๆอยากได้ ถึงกับวิ่งเต้นกันนะทั้งพระทั้งโยมเดีย๋ยวนี้เปล่นกันมากแม้แต่อาจารย์มหาเชลัยนะก็แค่หัวหน้าผ้านี้ก็อยากเปล่นกันพอใครพอใครไม่สนับสนยนตัวเองก็โกรธนะมีอาจารย์คนหนึงก็ไปไปเน็บแนมไปว่าเจ้าหน้าที่ในคณะว่าทำไมไป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 ท่านเด็กิงก็ท่านก็เปิดขึ้นมาเบาๆว่ารวยกับซวยมันมันใกล้กันนะใอ้หนุ่มคนนั้นก็งงว่าหมายเขาว่าไงหลวงปู่ท่านบอกออกเสียงคล้ายๆกันแล้วท่านอธิบายว่าเนี่ยรวยเนี่ยนะมันต้องเหนื่อยนะในต้องทุกข์ในการสแสวงหาทุกข์ในการรักษาพอสูญหายไปก็ทุกข์อีกอย่าเอารวยแนละ้วเอาเอาดีดีกว่าเอาดีก็คือการรู้จักให้นรู้จักแบ่งปัน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 นอกจากทวนธรรมะนอกจากทวนกระแสโลกแล้วแม่งทวนกระแสะกแิเลสกระแสะ ก, ระกรสกเลสมันต้องการได้ต้องการมีต้องการครอบครองเยอะๆต้องการให้คนชื่นชมสรลาเรินเนเดี๋ยวนี้ต้องการมากยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่ Facebook มันบูมอัพโหลดอะไรขึ้นไปไม่มีคนกดไลค์ก็เป็นทุกข์ละกดไลค์คือว่าถูกใจ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 หาความสุขได้ยากแต่นี่แหละเป็นธรรมชาติของกิเลสนะกิเลสไม่ต้องการทาชื่นชมสรรเสริมไม่ต้องการมีมากๆอคนเราถ้าเราทําตามกิเลสแต่พึ่งเถือไปนะมันจะมีความสุขได้อย่างไรนะเป็นทาาของกิเลสธรรมะนี่ช่วยทําให้เราทวนกระแสะกิเลสนะเวลาโกรธใครเนี่ยมันอยากจะดา่าอยากจะทํำร้าย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 ปล่อยวางความโกรธด้วยการให้อภัยหรือว่าดับความโกรธให้หายรุ่มร้อนด้วยการแผ่เมตตาจระแสกิเลสในเวลาเห็นใครดีกว่ามีมากกว่าอิจฉานะในช่วงนี้คนอิจฉาตารอนกันเยอะเพราะว่าเริ่มจะจ่ายโบนัสกันละพอรู้ว่าเพื่อนได้โบนัสมากกว่าก็อิจฉาขุนเครื่องนะต้องรู้จักสละนะ รู้จักวางความอิจฉาลงเริ่มต้นในการสลัด เ, เริ่มต้นในการให้ทานให้สิ่งของแต่ต่อไปก็ต้องรู้จักสลัดรู้จักวางในสิ่งที่มันทำได้ยากขึ้นนั้นก็คือความโกรธความอิจฉาความพยาบาทใครเขาได้ดีใครเขาได้ละคาสรเสริญชื่นชมมากกว่าเราเราก็แสดงมุติตาจิต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 ถ้าใครใครก็ทําดีแล้วก็ยินดีด้วย น, นี้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใก็ได้บุญปัตานุโมทนาใหม่ใครก็ได้มากนะเราก็ยินดีด้วยมุทิตาจิตนมันก็เป็นเครื่องมือในการที่สละที่จะวางความโกรธความอิจฉาความเกลียดความชังนะซึ่งทําได้ยากกว่าการให้เงินให้ทองหลายคนขยันทําบุญนะแต่ว่า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 บุญคุณต้องตอบแทนความแค่ต้องชำระจะยิ่งโกรธเท่าไหร่ยิ่งต้องหาทางตอบโตนจะต้องรักษาความโกรธเอาไว้โกรธแค้นไปสิบปียีสิบปีก็ไม่สายนะมันมีสำนวนไว้เนะี่ยเก็บความโกรธสิบปียีสิบปีก็ไม่สายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ฝ่ายทำแล้วนะมีแต่คนขวายที่จะสละที่จะวางความโกรธลงไป ด้วยวิธีใดก็ได้รวมทั้งค ว, ความเศร้าด้วยนะความเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียไ่รู้จะเก็บมันไปทำไมนะเก็บไปก็บั่นทอนจิตใจต้องรู้จักสละออกไปอาการสละนี่ทำได้ไงก็ภาวนานะภาวนาเนี่ยช่วยทำให้เรารู้ทันอารมณ์อกุศลที่มันครอบงาใจแม้มันจะเจ็บปวดเพราะว่าตัวตนถูกกระทบกระแทก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 ทั้งสิ่งที่เป็นอิทธารม่มเช่นลาบยอสุขสารเสริญก็ต้องปล่อยด้วยการให้ทานหรือด้วยการที่ไม่ยึดติดถือมั่นไม่ก่อเกี่ยวไอ้สิ่งที่เป็นอนิทารม่มความโศกความเศร้าความขุนเคืองใจความอิจฉาพยาบาทก็ต้องรู้ตัดสละถ้าภาวนาที่มันช่วยได้มากทีเดียวจะช่วยทําให้สละช่วยทําให้วางแต่บางคนภาวนาไปภาวนาไปมันอยากได้ขึ้นมานะ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 มุ่งสละจริงๆนี่มันก็ไม่ใช่เป็นการให้ทานที่ถูกต้องแบบชาวพุทธไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตพระไตรปุฎนะเคยกล่าวว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ให้เพราะหวังอุปทิสุขอุปทิศก็คือโลกีสุขหรือว่าการได้ลาบจะสุขสา ร, รเสริญนั่นเองบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่หวังอุปทิสุศหรือไม่หวังพบใหม่นะแต่ให้เพราะมุ่งกําจัดกิเลส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 กายแปลผันไปนะแต่ว่าใจยังเป็นปกติได้คนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะหนีความทุกข์ไม่พ้นนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเจอทุกข์แล้วนี่มันก็จะลอยไปตามกระแสน้าเหมือนกับจอกห น, นะไม่ใช่เจอทุกข์คือความแก่ความเจ็บความพัดพราดความตายก็จิตใจก็ยังเป็นปกติได้อันนี้เรียกว่า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 สติเห็นด้วยปัญญาทีแรกก็เห็นด้วยสติก่อนเห็นว่าทุกเกิดขึ้นที่ใจทุกเกิดขึ้นที่กายแต่ว่าไม่ไม่เป็นผู้ทุกข์แต่หลังก็เห็นเลยว่าเออทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเนี่ก็เรียกว่าสลัดวางปล่อยอย่างสิ้นเชิงก็เรียว่าพ้นทุกข์ได้ ถ้าเป็นแค่รู้จักพิจารณานะความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นทุกข์นี่มันก็ช่วยได้เยอะแล้วในสายพุทธกาลนี่นางสาวมวดีนี่โดนไฟครอกถูกแกล้งนะให้ไปติดอยู่ในปราสาทที่เขาเก็บเก็บผ้าแล้วก็จุดไฟเผาออกไม่ได้ไฟลุกท่วมตัวนางสาวมวดีแทนที่จะโกรธนางมาคันติยาผู้เป็นตัวการก็แผ่เมตตาให้อภัย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 ให้เป็นปกติได้เมื่อเจอทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์นะแต่ว่าเป็นอิสระจากความทุกข์ได้เนี่ต้องให้เราเข้าใจดีเนระาธรรมะในอ น, นิสงสนะ์หรือว่าลักษณะพิเศษนะก็คือการที่เป็นเครื่องช่วยทวนกระแสะได้ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมันไหลไปตามกระแสะโลกไหลไปตามกระแสะกิเลสไหลไปตามกระแสทุกข์ไหลไปตามกระแสทุกข์ก็แสดงว่ายังยังยังไม่เข้าถึงธรรมะจริงๆ เอาล่ะคำนี้ก็เป็นท่านนี้นะอ่ะกลับพระ